นานเพียงใดที่ยังรอคอยกันกลับมาคบ จำไว้เลยว่าเธอเคยบอกเล่าทำไมไม่เลย